ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการมปรมบทวิญาณในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามของครูอีกต่อต่อไปครูสพอนะฮะับำนักปถมศึกษาอำเภอก็ในจังหวัดนครราชสีมาแต่หลายอลาอำเภอมาประชุมร่วมกัน ก็ต่อไปถามว่าขอถามว่าข้างบนสั่งมาข้างล่างปฏิบัติครูไม่สอนมุ่งเน้นแต่วิจาการรอข้อมูลเพื่อรอจวดอย่างนี้เป็นเรื่องของการบริหารในทางราชการเขาก็ต้องมีเหตุผลในส่วนเหล่านั้น แต่ว่ากันตามความจริงท่านก็ต้องให้เหตุผลมาแล้วก็คงไม่จะทำกันทุกคนนะครับนะี่อยู่ที่ใครมีความพร้อมที่จะทำได้หรือไม่ได้เปราะว่าการทำงานในแนวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่นิ่งๆว่าใครทุกคนก็ต้องทำคือครูเองต้องพัฒนาตัวเองเนะี่ยโดยเหมาะสมแก่วิชาการาต่างๆที่มันก้าวหน้าอยู่ตลอดระยะเวลาเรการทำผลงานเนี่ย ก็มีความจําเป็นเพราะว่านั่นก็คือระบบการพัฒนาอย่างหนึ่งของครูครูจะต้องเป็นผู้นําทางวิชาการทางจิตวิญญาณของนักเรียนแต่ว่าครูขาดความรอบรู้ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วมันก็ยากเหมือนกันนะที่จะให้การศึกษามีคุณภาพมีประสิทธิภาพมันการศึกษาของเรามันเป็นการต่อสู้ระดับโลกแล้วนะ คุณภาพของประชากรในบ้านเมืองเราเนี่ยมันสู้กับเราลหลับโลกก็ได้หรือเปล่าเพราะเข้ถึงนางนาชาติแล้วแต่ตามตัวเลขของฝรังเดี๋ยว่าไว้ในรู้สึกว่าเรายังห่างาไม่เกนะินอ่ะมันก็ต้องมีการจําเป็นที่จะตั้งปรปับปรุงทั้งตัครูทั้งวิธีการสอนทั้งตำหรับตาําราเนื้อหาวิชาการต่างๆตลอดถึงตัวคนนักเรียนเอง ก็อย่างที่เขามีการปฏิรูปการศึกษากันเนี่ยที่จริงที่ริงไม่ใช่ติงตรงนั้นติงที่ไปทำศาสนาวัฒนธรรมศิลปะแต่นั่นเองมันไม่ใช่ไปติงเรื่องการปฏิรูปทางการศึกษาของเขาข้อต่อไปถามว่าองค์การศาสนาน่าจะให้พระในประเทศไทยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันหมด เพื่อจะได้นําไปสอนเด็กสอนญาติโยมให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกทางเรื่องมันเยอะนะงานในาศาสนานี่เรื่องมันเยอะเป็นเนโนเรื่องในเรื่องหนึ่งมันไม่ได้หรอกการปริยัติก็มีความจําเป็นเพราะเป็นการถือต่อยุคพพุทธศาสนาการเทศนาสั่งสอนก็มีความจําเป็นการเผยแผ่ก็มีความจําเป็นการเจินธรรมฐากรรมฐานบัฒนากรรมฐานก็มีความจําเป็น แต่จะเอาคนมาเจริญกรรมฐานหมดมันก็ไม่ได้หรอกคนส่วนน้อยนิดแต่นั่นเองนะที่จะเอามาเจริญกรรมฐานได้ก็การเข้าอบรุงกรรมฐานแต่ละคราวเนี่ยค่าใช้จ่ายในมหาศาลเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าใครก็จะทำก็ทำได้มันต้องมีผู้ดาเนิน ง, งานมันต้องมีทีมงานมันต้องมีงบประมาณแล้วมันต้องมีเนื้อ ง, งานนะที่เราจะทาเนี่ย แล้วก็อาคารสถานที่อะไรตไรอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย ม, มันเยอะนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องทําได้ง่ายๆ อ, องค์ประมาณอย่างเดียวก็ตาเหลือกแล้วนี่ไม่รู้จะทํำยัำยงไงไม่รู้จะเอาจากไหนก็ทํากันไปเท่าที่ทําได้คณะสงฆ์เองก็ต้องกวดขันในหลายๆเรื่องนะเป็นเรื่องเดียวก็คงไม่ได้ คือต้องแยกย้ายกันทำงานนั่นนะแยกย้ายกันทางานแยกย้ายกันรับผิดชอบความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเราจะเน้นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเพียงจุดเดียวนั้นก็คงจะมีปัญหามีอุปสรรคซึ่งจำเป็นที่จะต้องทำให้มีความต่อเนื่องแล้วก็หลายๆเรื่องมาประสาน ร, ร้อยรัดกัน ก็ต่อไปถามว่าผู้บริหารการศึกษาหรือนักวิชาการชอบรูปแบบอย่างของต่างประเทศบางครั้งไปดูงานด้านการศึกษาจึงนํารูปแบบมาใช้โดยไม่ปรับปรุงรูปแบบดังกล่าวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่โดยเฉพาะพื้นฐานของการศึกษาไทยการศึกษาของไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไปคือดําเนินทีละขั้นตอนก็ราบการศึกษาของไทยด้อยกว่าต่างประเทศอยู่มาก ก็เรียนถามว่าจะมีวิธีการแก้ไขดำเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสมปัญหานี้เป็นเป็นปัญหาระดับแผนระดับนโยบายนะฮะหมายความมาครูสปจสปจสปเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถามเรื่องเหล่านั้นยิงพระยิงห่างไกลปืนเที่ยงออกไปทุกทีคือเสนออะไรเนี่ยมันต้องมีข้อมูลมีรายละเอียดมากก่อที่จะเสนอไป คือไม่ใช่ว่าเอาต่างประเทศมาเป็นแบบทั้งหมดแต่ว่าเขาเรียกว่าเอาเยี่เงยาวอย่างคือบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลส่งเสริมต่อพัฒนาการทางการศึกษาในสังคมไทยเนี่ยเขาให้ความใส่ใจสนใจแล้วก็นามาใช้มันเกิดประโยชน์ในสังคมไทยแต่เรื่องบางเรื่องมันไกลสังคมไทยนะไกลเด็กไทยไปไม่มีความจาเป็นอะไรที่จะต้องไป รับเข้ามาทั้งกระบี่ทั้งทั้งรุ่นอย่างนั้นเราก็ไม่รับเข้ามานี่ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักอย่างหนึ่งที่จะต้องรู้จักเลือกจู้จักเลือกคัดสรร น, นะเลือกเฟ้นในเรื่องต่างๆ น, นำมาใชาให้เหมาะให้ควรแก่กรณีของเราโดยเฉพาะพื้นฐานอย่างที่ว่านะคือการศาึกษากันว่ากันตามความจริงนี่มันก็ เราก็ไม่ด้อยกว่าใครกันเท่าไรหรอกมีประเทศที่ด้อยกว่าเราก็มีแต่ว่าทํายังไงว่าเราก็ปรับตัวเองขึ้นมาอยู่ระดับสูงสูงหน่อยเพราะว่าถ้าสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นสากลขึ้นมาได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมปัญหาแรงงานปัญหาอะไรต่อะไรต่างๆมันแก้ไปได้เยอะตะคนเราถ้าเกิดสากล มีความจานี้จำงนานในวิชาการเช่นว่าพวกซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยที่ก็พูดถึงอินเดียที่ออกไปหาเงินในปัจจุบันเนี่ยเขาว่าพนักงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เนี่ยนะที่สารัฐอเมริกาเนี่ยสามสิแปดเปอร์เซ็นเป็นอินเดียแล้วก็เป็นชนชาติอืน่นอีกอเมริกาอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เราก็ไม่รู้เหมือนกันอินเดียก็ผิดคนประเภทนี้ไว้เยอะ เออพวกนี้ออกไปข้างนอกมันก็นําเงินตราต่างประเทศเข้ามาเป็นก่อเป็นกรรมยิ่งกว่าดีกว่าส่งโปร ก, ก ร, รมกรไปดีวกว่าส่งโปรแกรมกไปนะครับพวกนี้ก็ไม่ได้อะไรกันมาเท่าไหร่หรอกไปรับใช้ไปทํางานสร้างความเจริญให้แก่คนอื่นและตัวเองก็พอกระเตื้องขึ้นมานิดหน่อยแต่นั้นก็เพราะผิดผลจากการจัด ก, การศึกษาของเราว่าคนเรายังไม่อยู่ระดับมาตรฐานฐากล นด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกด้านภาษาพวกวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยเรายัางไกลนะบางการจะไม่เอาตัวอย่างคนอื่นเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าค่อยๆเลือกค่อยเป็นเข้าไปเนี่ยบางทีอาจจะช้าเกินกำลังไปก็ได้คืออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูปก็ปฏิรูปป ฏ, ร ป, ปฏิวัติก็ปฏิวัตินะปรับปรุงก็ปรับปรุง ก็ดูตามต้องควรแก่กันอีของเรื่องถามว่าพระพุทธรูปแต่และองค์ทําไมจึงมีลักษณะรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันที่จริงแล้วควรจะเป็นอย่างไรจึงจะเหมือนพระพุทธเจ้าจริงๆไม่มีใครที่จะทําได้หรอกเหมือนพระพุทธเจ้าจริงๆมีใครเห็นพระองค์เลนะนิ่ผ่านมาตั้งนานแล้ว พระพุทธรูปเนี่ยจริงๆเขาไม่เรียกว่าพุทธรูปนะเขาเรียกว่าพุทธปฏิมาคือเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนเป็นรูปเปร ing, ียบแทนพระพุทธเจ้าสมมติว่าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเป็นพุทธปฏิมาเพราะฉะั้นช่างใหญ่ยังไงก็ได้มันเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปสัญลักษณ์คือตัวแทนขององค์พระพุทธเจ้าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์จริงๆนะฮะสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เล ถ้าตั้งสถานที่จัตรูก็มีรูปต้นสาระมีรูปปนังสีหมามายาเหนี่ยวกิ่งสาระมีดอกบัวอยู่ข้างหน้าเจ็ดดอกแต่ไม่มีพระราชกุมารอยู่บนดอกบัวฝัง่งตัตรูก็มีรูปพย า, ยามาระจนมีรูปแทนวัชระอาจมีต้นภรสีหมาโพ ทีธรณีบีบหมูอบีบมยผมมาได้จ ะ, ะได้ก็แล้วแต่จะแตง่งนะแต่บนก็แท่นไม่มีพระราชพระพุทธเจ้าเพราะว่าสมัยนั้นเขาเคารพคือไม่สร้างรูปเคารพกันการสร้างรูปเคารพมันเป็นประเพณีกรีกทำเนียมต้องกรีกตีเอาก็นําเข้ามามาตอนกรีกมานับถือพระพุทธศาสนานี่ยเขาก็ติดรูปเคารพมันก็ก็นํารูปเคารพลมเหล่านั้นเข้ามาก็อยู่ในเมืองไทยเราด้วย แงอุบายในการสอนเรื่องยาเสพติดตรงเรียนเี่ยป้องกันตัวสร้างเกราะป้องกันให้แก่นักเรียนอย่างไรไอ้นี่มันต้องเอาเรื่องโทษต่างๆเนี่ยที่ปรากฏโทษต้องออกจากโรงเรียนโทษต้องติดคุกโทษต้องลงแดงโทษต้องไปบําบัดนะโทษต้องหมดอนาคตและอะายต่างๆเนี่ยเอาไปให้ดูให้เห็นที่ต่างๆโทษที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายของเขา โทษแก่ขึ้นที่เกิดเกิดเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเขาเกิดขึ้นแก่อนาคตของเขาเกิดขึ้นแก่ชาติบ้านเมืองเนี่ยคือย์ยาดาบ้าเนี่ยมันสารพัดจะเกินปัญหามันเรียวกว่ามารุมมาตุ้มกันเข้ามามันเยอะแยะเหลือเกินคือถ้าเด็กไม่ไปจแจ้งแจ้งโทษชัดเจนแก่ใจแล้วก็พูดยากก็โยชนนั้นเขาคือหาตามกันไปแล้วก็ มักจะ า, ากาณอนอจากวิ้มอยากลองอ ย, อยากทดสอบดูอยากทดลองดูอะไรแต่ใดเนี่ยเป็นปกติพิสัยของเขานะเขาเป็นเขาอย่า ง, ง, น, งนั้นตรงนงั้นจาเป็นที่จะต้องเอาโทษในด้านต่างๆเข้ามาเช็ดแสดงให้เห็นแล้วคุณในด้านตรงนั้นข้ามเกิดในด้านของการไม่เสพยาเสพติดนี่มาให้เห็นเลือเป็นทางพิจารณาให้เธอเลือกเอาเอง เราไปชี้โทษอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องชี้ทั้งโทษทั้งคุณนะฮะต้อชี้ทั้งโทษทั้งคุณคุณของขวายตรงกันข้ามโทษของยาบ้าคุณของการไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ตกเป็นทาสของยาบ้าก็เรียกว่ารู้บาบุญคุณโทษของเรื่องเหล่านี้ชัดเจนแล้วก็จะพูดจากันง่ายขึ้นนะฮะยังไงก็จะควบคุมตัวเองได้ดีมากยิงขึ้น ท่านคิดว่าการรูปการศึกษาดีหรือไม่ก็ดีอนะฮะว่าปฏิรูปไปดีก็แล้วกันอย่าทําเป็นปฏิกูลคือเรื่องบางเรื่องมันลุมรังอนะฮะที่ทําเวลานี้ยที่คนก็ค้านกันเยอะเนี่ยเพราะมันทําแล้วมันฟุ่มเฟือยอ่ะมันฟุ่งเฟือยแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้ น, นเรายังไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดหรือไม่เกิดแต่เงินทองนั้นจะต้องใช้จ่ายไปมาศาลุยละเนี่ยขนาดโปรโมตกิจกรรมของสอปสอเองอ กระดาษอาร์ตอย่างดีเลยนะครพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วประเทศเนี่ยวันหนึ่งคราวหนึ่งยกี่ล้านไม่รู้นะเนงินทองให้สิ้นเปลืองไปโดยใช่เหตุแล้วไม่ใครก็ไม่อยากอ่านหนังสือทําเล่มเยอะๆเล่มใหญ่ๆใครจะไปนั่งอ่านก็นอ่านทำไมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเป็นเรื่องที่น่าเสดายแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษาการคิดกันเองจะวางแผนกันเองจะเรียนเรื่องอะไรก็ตกลงกันไในอะไ ร, ะไรต่างๆเนี่ย มันดูแล้วนีมันไม่รู้จะไปทางไหนกันก็ยังไม่ได้ออามาอ่านละเอียดหรอกเพราะมันเยอะเหลือเกินอ่านไม่ไหวแล้วก็มีแต่ทฤษฎีนะฮะคือไปล่กของคนนู้นมาล่กของคนนี้มาล่ อ, อคนนั้นมาแล้วมันเหมาะสมกับสังคมไทยแค่ไหนก็ยังไม่รู้หลอนก็มีการทุ่งติงมีการคัดค้านกันอยู่มากเนี่ย เพราะว่ามันมีความไม่ชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็เพราะเหตุใดนะฮะเพราะเพราะเหตุก็ก็ก็อย่างที่ว่าเนี่ยถ้าปฏิรูปดีเนี่ยมันไม่แปลกหรอกแต่ว่าเวลานี้มันมีปัญหาการไปรูปการศึกษาต้องมาบังคับไปครูเข้าแท่งนั้นแท่งนี้ให้ครูทําผลงานหาผลงานเก็บผลงานจนไม่มีเวลาสอนนักเรียนผลปรากฏว่า เด็กไม่รู้หนังสือครูก็ไม่รู้จะเดินไปในทิศทางใดจึงจะถูกต้องไอเ น, นี้ยคือเรื่องใหญ่นี่แหละคือปัญหาใหญ่ที่ว่าคือคนชุดนี้แหละชุดนี้ยที่ปฏิรูปมาเท่าไหนึ่งเจ็ดสองศูนย์อะไรแนะ่ไหนที่ทําปฏิรูปมาในคนชุดนี้แหละความคิดมันก็ไม่ได้เป็นสับพันญูมาอะไรนักหนาเนี่ยนะแล้วก็คือการทําอะไรนั้นมันต้องมี โครงการนำร่องไปสักจำนวนหนึ่งแล้วก็ทดสอบดูแล้วก็เพิ่มขึ้นดูความพร้อมในด้า น, นต่างๆเนี่ยมันพูดเหมือนจะนิรมิตนยะพูดเหมือนการนิรมิตเอาซึ่งทำให้มองเห็นว่าตัวเองก็ไม่มั่นใจอะไร เวลาเขาถามดียังไงก็ดีกว่าไม่ได้ปฏิรูปรู้ว่าได้ยังไงว่าปฏิรูปเราจะดีกว่าที่ไม่ได้ปฏิรูปเรายังไม่รู้เลยนะฮะเพราะมันไม่ได้ลงมือทำเลยแล้วคนเป็นคนทํานะอย่าลืมว่าคนเป็นคนทาคนจะต้องมีความพร้อมเยอะในด้านต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะปลุกเสกก็ได้คือคนที่เข้าถึงสารัธระของการปรูปเองมีกี่คน แล้วก็คนที่ทําเองสองปสอเองก็เหมือนกันเข้าใจงานดีตัวเองให้ทําหรือเปล่าที่ทําเพราะว่ามันเป็นการรับผิดชอบกันเป็นสายสายไปแต่ไงก็ตามนะเรื่องการไปรูปมันจําเป็นจะต้องมีเพียงแต่ว่าเปิดใให้ว่างฟัง ค, ความคิดความเห็นกันหลายหลายฝ่ายแล้วก็ไม่ควรจะก้าวกระโจนไปทีเดียวรวดเดียวควรจะทําไป เป็นลำดับเป็นขั้นตอนจะมีทดลองนะทดลองไปเป็นเขตเขตเป็นภาคภาคเหมือนกับโครงการผู้ว่าไี่ขาทดลองอะไรเนี่ยผว่าซีออะไรไม่ได้ก็เลยเลิกคือไม่ใช่ว่ากระโจนตัวไปหมดทุนแล้วก็พังไม่รู้เรื่องไงอย่างงี้ก็แย่เลยคืออย่าลืมว่าเรื่องแต่และเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายหรอก มันไม่ใช่แบบปลุกเสกออมนพวดปอกมนบอกคาถานะมันนิทานพูดได้นะแต่ว่าเรื่องจริงๆมันทําไม่ได้ เ, เดี๋ยวนี้การเรียนการสอนที่อ่อนด้อยอยู่มากก็เพราะโรงเรียนกับวัดไปกันคนละทางท่านอาจารย์มีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคือว่าการทําความจริงวัดเนี่ยเขาไม่ไปคนละทางหรอกก็อยู่ตรงนั้นแหละ จริงแต่ว่าครูที่เข้าไปอยู่ในวัดเนี่ยไปอาศัยที่ดินของวัดเนี่ยไม่มีน้ำใจต่อวัดไม่เห็นว่าพระมีความสำคัญอะไรไม่จำเป็นจะ ต, ต้องไปปรึกษาอะไรกับพระในสุดพระก็ถูกกีการห่างออกไปเร่นี้ ป, นปัญหาเรื่องความประพฤติเนี่ยทายพระจะดูแลอบรมสั่งสอนบ้าง อย่น้อยนี่มีเรื่องเป็นนันมากที่พระท่านทำได้แต่ว่าครูสอนเด็กแล้วครูทําไม่ได้เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติเอาขนาดบุรีเอาขนาดอะ้เนี่ยขนาดทะเลาะ ก, กันขนาดบุหรีขนาดเที่ยวเซอะไรแต่ใดเนี่ยพระเขาทําได้แต่ว่าครูนั้นสอนเด็กแล้วก็ครูทําได้หรือเปล่าคือถ้าครูเกิดเปิดใจกว้างขึ้นมาเนี่ย แล้วก็ขอให้พระเข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้ในการดูแลปัญหาเล็กๆเล็กน้อยนะปัญหาเล็กน้อยค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยนะพระก็ช่วยได้พระสามารถจะบอกญาติโยมญาติโยมก็เห็นด้วยเขาก็ค่าช่วยเหลือได้แต่ครูบอกเนี่ยก็ยากนะที่ชาวบ้านก็จะสนับสนุน ทันที่จริงแล้วครูเป็นคนตัดโอกาสของตัวเองไม่ไม่ไม่ใช่วัดปฏิเสธนะวัดนั้นสนับสนุนอยู่ถ้าเราเอาตัวเลขมาดูแล้วเนี่ยแม้แต่ว่าพระไม่ได้มีส่วนร่วมในการสั่งสอนในการรับผิดชอบของคณะเยาวชนการศึกษาเราเรียนของเยาวชนแต่ว่าโรงเรียนเป็นอันมากที่พระสร้างขึ้นมาเองสร้างแล้วก็มอบให้กับกรมกรมบอเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นเจ้าของจนลืมถึง เจ้าภาพนะฮะในด้นนี้ก็มีแนวความโน้มเอียงของคณะปฏิรูปคอปสอเนี่ยที่จะเอาพระเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการของเขตพื้นที่การาศึกษาในแต่ละเขตเนี่ยแต่าภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะทําได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะเป็นเรื่องจะ ต, ต้องรอคอยกันต่อไปแต่ว่าเรื่องทั้งหลายถ้าไม่ทดลองอะไรเลยมันก็ ตอนหน้าไมได้มันต้องกล้าทดลองบ้างนะฮะแต่ว่าอย่าทุ่มตัวลงไปก็แล้วกันผู้ที่ทรงเจ้าข้าผีมีเจ้าหรือผีมาเข้าสิงจริงหรือไม่ถ้าถ้ามีจริงเออเป็นเจ้าหรือผีประเภทใดในนี้ไม่รู้ก็หรอกเพราะว่าคือการจะพูดอะไรออกไปเราต้องไปเห็นอยู่ด้วยนะแล้วเราก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยเราจะไปรู้ได้ยังไงแต่ว่า โอกาสจะจริงเนี่ยมันมีน้อยส่วนมากแล้วก็เป็นเรื่องไม่จริงแต่ว่าถ้าไม่จริงเลยร้อยเปเซ็นเนี่ยมันคงจะอยู่มาไม่ได้หรอกอย่างแต่ว่าทำยังไงว่าเราจะรู้ว่าตรงไหนจริงตรงไหนไม่จริงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยคือถ้าจาไม่จริงหมดมันก็เกินเหตุเกินผลไปนะฮะแต่ว่าถ้าจริงหมดมันก็ ไม่มีความสมเหตุสมผลเพราะว่าลักษณะาทางสยศาสตร์เนี่ยจริงหมดเป็นไปไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่ามันจะจริงมากน้อยแค่ไหนเพียงใดแล้วถ้าทางดีที่สุดแล้วก็คืออย่าไปยุ่งเกี่ยวไปเรื่องเหล่านี้ดีกว่าเพราะว่าขัดคอเ ข, เขาก็โกรธทรมายอมพิสูจน์ทดสอบก็งโง่ ถ้าเราไปขอพิสูจน์ทดสอบเขาก็โกรธแต่เขานั่นก็โลภนะฮะเพื่อหวังประโยชน์จากคนที่เชื่อต้องการได้เงินได้ทองได้ผลประโยชน์จากลูกช้างทั้งหลายเนี่ยวันทางที่ดีที่สุดก็หลีกหนีห่างไกลจะดีกว่าคือไม่ต้องไปยุ่งยากวุ่นวายอะไรกับเขาข้อต่อไปถามว่า ถ้าให้หวยถือว่าเป็นการบ่อนทําลายาศาสนาหรือไม่มันไม่ถึงกับบ่อนทําลายหรอกแต่ว่าทําให้เสียภาพพัก์ของพระแล้วก็เขาก็ออกกฎห้ามไว้นะฮะปัญหาใหญ่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคว่าจริงปัญหาว่าท่านให้จริงหรือเปล่าถ้าท่านให้นจะรู้ได้อย่างไง แต่ถ้าท่านรู้นี่พอทำไมท่านไม่บอกญาติพี่น้องของท่านสมมติว่าท่านไม่โลภเนี่ยนะทำไมท่านไม่บอกญาติพี่น้องของท่านอันนี้มันมันมีไม่มีเหตุผลในตัวของมันเองเนี่ยอยู่เยอะในเรื่องพระใบ้หวยเนี่ยแล้วส่วนใหญ่คือเราไปทึกทักเราเองว่าท่านใบ้หวยบางท่านที่ท่านก็ไม่ได้ใบ้พูทจาอะไรพอเราไปปักใจว่าหลวงพ่อองค์นี้บอกหวยได้เราก็คิดเป็นหวยได้หมด ไอ้คิดตัวเองอย่างนั้นเนี่ยมันไม่รู้จะว่ายังไงนะคือใครใๆก็ไม่สามารถที่จะไปตักเตือนไปให้สติอะไรกันได้แล้วบางทีพระเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่ได้บอกเราก็หาว่าท่านบอกอย่างเงี้ยมันพูดยา ก, ก น, นะพอถ้าท่านบอกจริงๆเนี่ยคณะสงฆ์ก็ให้สึกนะครับ ก็ไม่อยู่อ่ะแต่เพียงแต่ ว, ว่ามันพิสูจน์ไม่เคยได้ว่าท่านบอกจริงอย่าโยมไปตีไปบ้าบหวยไปตีกันเองแด้จะโยงความผิดได้ท่านมันก็ไม่ได้เหมือนกันที่นี้ต้องมีความชัดเจนกว่าสมควรนะฮะจึงจะไปว่าท่านทํำลายศาสนาหรือไม่ต้องฝั่งทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิาในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความญาเรณงอ่างไปบูรในธรรม ยังมีแตะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี